บัณฑิจจกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายเสืบกต่อไปให้คำถาที่ท่านนันทะมานปกะไ้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคจากถึงความเชื่อถือในหลักการปฏิบัติซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้ข้ามบุคคลข้ามพ้นชาชรา โมรณะและโอฆะไปได้ซึ่งความเชื่อถือในยุคในสมัยนั้นได้แก่การศึกษาการคือการฟังศีลวัดและบุคคลต่างๆท่านในกราบทูลถามว่าโดยความเชื่อถือในห ล, ลักการปฏิบัติเพียงเท่านั้นจะทำให้บุคคลเข้าถึงความหมดจด หลุดพ้นจากพวมน้ำคือกิเลสได้หรือไม่สึ่งพระพุงมีระกจาาได้ทรงแสดงว่าพระองค์เองไม่ได้กล่าวว่าความบริสุทธิ์จะมีเพราะการศึกษาเพราะการสะดับสับฟฝังพระศินพระวัิหรือเพราะมงคลเพียงอย่างเดียวแต่ว่าบุคคลใดก็ตามที่กำหนดรู้ สิ่งซึ่งตนได้เห็นสิ่งซึ่งตนได้ยินสิ่งซึ่งตนได้ทราบและสิ่งที่ตนได้รู้และกำหนดละสิ่งที่ปักใจขวางตายทั้งหลายมีมงคลทั้งหลายเป็นต้นได้กำหนดละตัณหาในโลกทั้งปวงได้บุคคลผู้นั้นก็จะข่ำหวงน้ำคือกิเลสไปได้ พระธรรมเทศนาอย่างข้อนี้เป็นการแสดงโดยปริญาชั้นสูงคือนิยกระดับสูงแต่ทั้งนี้เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธข้อปฏิบัติในชั้นของการสดับจับฟังชั้นศีลชั้นวัดและชั้นมงคลว่าไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพียงแต่รับสั่งว่าสิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่เป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียวซึ่งในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วบางครั้งทรงอุปมาเห็นว่านเนือนบุคคลอาศัยยานพานะเพื่อไปสู่จุดหมายที่ใดที่หนึ่งบนเส้นทางที่ตนจะต้องไปนั้นจะต้องเปลี่ยนยานพานะหลายครั้งเพราะในช่วงที่ต้องอาศัยยานพานะอย่างใดอย่างหนึ่งจุ่สิ่งเหล่านั้นก็มีความจําเป็น แต่เมื่อสุดปลายทางของยานภานะนั้นแล้วบุคคลจะต้องขึ้นยานอื่นโดยทิ้งยานเดิมถ้ากว่ายังคล่องยังติดอยู่ในยานเดิมโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็มีไม่ได้ฉันใดก็ดีในหลักของการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาก็เป็นเช่นนั้นซึ่งที่จริงก็เป็นเช่นนี้ในทุกระบบ แ, แม้แต่ในการศึกษาของบุคคลทั้งหลาย ในระดับหนึ่งที่ตนจําเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องเหล่านั้นสิ่งนั้นก็จําเป็นแต่เมื่อได้เรียน เ, นเลยผ่านไปแล้วถ้าไปคล่องไปติดอยู่ความข้ามหน้าก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนชั้นไปโดยลําดับจนกว่าจะจบการศึกษาสูงสุดเหตุนั้นพระภูมิพระภาคย่าจึงทรงแสดงว่าในภระศาสนาของพระองค์นั้นมีการศึกษาโดยลําดับ มีการปฏิบัติโดยลำดับและมีการบรรลุโดยลำดับเป็นเอน้จำแนกพระยาบุคคลออกไปถึงสีชั้นด้วยกันและแม้แต่ในชั้นของปุทุชนเองก็ทรงจำแนกแสดงเอาไว้หลายระดับโดยอาศัยพื้นฐานของความมากน้อยแห่งคุณธรรมภายในใจของบุคคลตรงนั้นซึ่งทำให้มีคำเรียกบุคคลในโลกออกไปในลักษณะต่าง เป็นนันทพานเป็นพานเป็นปูตุชนเป็นกัญญาณปูตุชนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ปรุษเป็นนักปราบเป็นบัณฑิตเป็นบินยูชนเป็นต้นท้ายคำที่นํามาเรียกเหล่านั้นเป็นการชี้เห็นถึงสภาวะทางจิตของบุคคลแต่ละคนว่าเป็นเช่นไรการเรียกขานก็อาศัยอาการที่แสดงออกมาทางกายทางวิจารของบุคคลผู้นั้น แต่ว่าเป็นไปในลักษณะของขุนชนมีความรุนแรงมีความมืดบอดพฤติกรรมแสดง ท, ที่แสดงออกมีผลในทางกระทบทําลายล้างบุคคลอื่นก็เรียกว่าเป็นอันถภาพานเรียกว่าพานเรียกว่าปุถุชนเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าการกระทำอันใดที่ไม่มีลักษณะเกื้อกูลเหยียดเบียนประทุสร้ายบุคคลอื่นเรียกชื่อบุคคลเหล่านั้นว่ากัลยาณปุถุกัลยาณปุถุชนบ้างมนุษย์บ้าง แต่ยิ่งเกิดไปกว่านั้นคือทําประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและแก่สังคมโดยลําดับขยายผลงานเหล่านั้นออกกว้างออกไปก็ท่านเรียกว่าสัตว์ปรุษบ้างเรียกว่าบรณฑิตบ้างเรียกว่านักปรารถบ้างเรียกว่ายุวินยุชนบ้างเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นผลของการก้าวเดินไปในกระแสะแห่งธรรมะที่บุคคลเหล่านั้นสามารถสัมผัสได้ในฐานะนั้นๆตอนนั้นในชั้นหนึ่ง เรื่องของมงคลเองพ ร, ระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงว่าการประพฤติการกระทรรมที่ผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับถึง38ขั้นว่าเป็นอุดมมงคลเป็นมรคาในการจะนำบุคคลผู้ปฏิบัติให้สัมผัสความสุขความสงบอย่างแท้จริงแต่สำหรับบุคคลในสมัยนั้น ความเชื่อถือความปักใจความฝังใจในเรื่องของมงคลนันมีแตกต่างกันได้เกินบางครั้งก็อาศัยสิ่งที่เป็นภายนอกมีชีวิตบ้างไม่มีชีวิตบ้างพืชบางชนิดบางครั้งแม้แต่โคลหมคือมูลโคก็ถือว่าเป็นมงคลสมบุบูรบางพวกกรุงความเชื่อถือทีถ่ถือว่าใหญ่ใหญ่มาก ก็มีคนยอมรับทั้งถือกันมากก็คือพวกที่ปักใจฝังใจว่าสิ่งที่ตนได้เห็นเป็นมงคลแม้ความเชื่อถือเหล่านั้นจะมีคนก็ขัดแย้งทุวงติงว่าถ้าสิ่งที่บุคคลเห็นเป็นมงคลแล้วทุกอย่างก็ต้องเป็นมงคลแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วชีวิตของบุคคลในแต่ละวันนั้น ไม่ได้เห็นสิ่งที่ดีๆเสมอไปบางครั้งก็พบเห็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นแล้วไม่สบายใจเสียใจทุกข์ใจด้วยประการต่างๆเพราะสิ่งที่ตนเห็นนั้นจึงไม่น่าจะเป็นมงคลแต่ก็มีคนบางพวกละเลยประเด็นนี้ก็ยึดถือปักใจในลักษณะนั้นอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าเรื่องที่ตนได้ยินได้ฟังเป็นมงคลแม้จะมีคนท้งติงว่า ไอ้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังบางอย่างไม่สบายหูไม่สบายใจก็มีถ้าว่าทุกอย่างที่เราได้ยินเป็นมงคลสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเป็นมงคลไปด้วยซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่คนกลุ่มนี้ก็คงปักใจยอยู่ในลักษณะนั้นอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าเรื่องที่ตนทราบหมายความว่าทราบรสด้วยลิ้นทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบเจนร้อนอ่อนแข็งด้วยกาย ถ้าเรื่องอะไรก็ถือว่าเรื่องนั้นเป็นมงคลจนก็มีคนท้องท่งติงในลักษณะเช่นเดียวกันแต่กลุมบุคคลเหล่านี้ก็ปรักใจฝังใจในลักษณะนั้นอันไกลเป็นความยึดถือในลักษณะบางทีก็เป็นการถือรันโดยอำนาจของทิตที่บังเกิดขึ้นเกาะกลุ่มกันชื่นชมกันในความคิดเห็นแบบนั้นปิดประตูที่ยอมรับที่จะยอมรับฟังความคิดความเห็นของบุคคลอื่น ซึ่งในทางศาสนาเรียกว่าเป็นความยึดถือประเภทที่ท่านเทรงใช้คำว่าอิดามวสัจจังโมกมัญญงเรื่องนี้เท่านั้นจริงเรื่องอื่นไม่จริงที่จริงการปักใจฝังใจในลักษณะนี้แล้วก็ก็ให้เกิดความจะงักงันในการประพติปฏิบัติและก้าวเดินไปไม่ได้ แต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติแล้วบุคคลมุ่งผลสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติพึงกระทำเหมือนการเดินทางไกลทุกย่างก้าวเวลาเราย่างเราเหยียบลงสึ่งนั้นก็เป็นประโยชน์ในขณะนั้นแต่ว่าถ้าเหยียบลงแล้วไม่ยอมยกเท้าต่อไปก็เดินไม่ได้ แั่นั้นคนจึงต้องเหยียบลงอาศัยสิ่งที่ตัวเหยียบแล้วก็ยกแล้วก็เหยียบต่อไปอย่างนั้นดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงจึงทรงปฏิเสธความปรัจใจในลักษณะนั้นแ้่ก็หมายความว่าเป็นการปัักใจแนวเดียวขาดปัญญาเป็นเครื่องปินิดพิจารณาจยกๆทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เห็นจะไม่เป็นมงคลเสมอไป เพราะอะไรเพราะว่าใน ม, มงคลละสูตรที่ทรงแสดงนั่นเองก็ได้พูดถึงสิ่งที่ตนเห็นไว้ว่าเป็นมงคลอย่างชัดแจ้งเช่นสมณะนา น, านสมณนานจะตัดสนังการพบเห็นสมณ ะ, ะเป็นอุดมมงคลคำว่าสมณะแปลว่าพูดสงบถามว่าสงบจากอะไรสงบจากบาปจากอากุศล ที่สร้างความขุดมัวเศร้าหมองให้เกิดขึ้นภายในจิตสแสดงออกมาที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้โดยตาโดยหูของบุคคลโดยกิยาการคือความเคลื่อนไหวที่ท่านใช้คำว่าไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาเวลาสแสดงอาการทางกายวาจาก็จะกให้เกิดศรัทธาประสาทเลื่อมใสแก่บุคคลตอนั้น ได้เวลาได้ยินได้ฟังได้สนทนาก็สบายหูสบายใจจากการได้ยินได้ฟังได้สนทนากาไกการเพะเป็นสมณะจึงเป็นอุดมมงคลตัวอย่างเรื่องราวบุคคลในสมัยพุทธกาลมีเป็นมากและที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของบุคคลที่มาเพะเป็นพระพุทธเจ้า แม้มีความทุกข์ความกระตุ่มเร่าร้อนเป็นปนัญหาจนนั่งนอนไม่ติดเชิญยศากุลบุตรเป็นต้นแต่เมื่อมาพบเห็นพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาประาทะเกิดความเชื่อมั่นในพระพุทธองค์เขาไปฟังพระธรรมเทศนาที่ทรงสส ด, ดงบรรเทาระงับดับความโศกถอนลูกสอนคือความโศกออกไปจากใจ ใจมีความตั้งมั่นอยู่ในสมาธิใช้ปัญญาวินิจพิจารณาธรรมะที่ ส, งส่งแสดงแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระยะบุคคลไปในที่สุดเพราะการเห็นในลักษณะนี้ก็เป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยที่จะนำผลคือความสุขความส ง, งบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นโดยลำดับ แต่าการเห็นบางอย่างก็ไม่เป็นมงคลเจ้าปการประพฤติการกระทํำที่นําใจของบุคคลให้เกิดกําหนัดเกิดความขัดเกืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความมัวเมาการเห็นในลักษณะนั้นเป็นอภิมงคลสม บ, บุรสมบูรณ์ขึ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นในมงคลข้อแรกว่าอาเสวนาจะภาลานั้นคื อ, อย้ายคบคนผ่าน การขคนพผ่านปัจจัยเริ่มต้นก็คือการเห็นคนผ่านแม้แต่การเห็นขบคุณผ่านก็เป็นอัปมงคลนะนักปราชญ์ในสมัยโบราณมีพระโพธิสัตว์เป็นต้นแล้วแสดงหลักคําสอนที่เป็นสุภาษิตเอาไว้เป็นอนุนมาเวลากระทําบุญทํากุศลก็จะตั้งจิตอธิษฐานก็เกิดพบหนึ่งพบใดก็ตามขอขอยอย่าให้ได้พบเห็นคุณผ่าน อย่าได้ยินคนผ่านอย่าได้เกี่ยวข้องกับคนผ่านอย่าได้ชื่นชมกับความคิดเห็นต่างๆของคนผ่านเพราะอะไรเพราะว่าคนผ่านแม้เริ่มต้นจากการเห็นก็เป็นอภิมงค์คนแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็สอนให้คบหาบัณฑิตปูชาผู้ควรปูชาซึ่งทั้งสองประการนั้นก็เกี่ยวข้องกับการเห็นการฟัง แต่ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบจิต ท, ที่อาจจะกำหนักหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกรามทั้งหลายเพราะมีแรงดันจากกิเลสกรรมภายในใจแล้วก็มีตัวกระตุ้นมาจากภายนอกไม่สามารถจะคุมใจให้สงบได้ข้าวหาท่านผู้เป็นบัณฑิตเลเ้็นปฏิปทากิริยาอาการของท่านก็ดี ได้ยินได้ฟังได้สนทนาปราใสกระพันก็ดีก็จะได้หลักแนวความคิดจากท่านสามารถสงบอารมณ์ในลักษณะนั้นลงไปได้มีคนเป็นนั้นมากที่ประสบปัญหาเมื่อมาครอบพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระมหาธีระในสมัยนั้นก็ดีหรือสมัยหลังมาก็ดีปัญหาเหล่านี้ได้ตกไปจากหิตของท่าน บางครั้งเป็นเพียงเพราะความเห็นเท่านั้นจิตใจที่เคยหมกมุด่ดกระตุ้มเร่าร้อนวิตกกังวลจนบางคนก็เป็นอุปายาตที่ในปัจจุบันเราใช้คำว่าความเครียดเกิดขึ้นภายในจิตแต่เพราะได้เกี่ยวข้องกับท่านผู้เป็นบัณฑิตแม้ด้วยการเห็นความสงบภายในจิตก็ฟังเกิดขึ้น มีบุคคลบางคนแล้วบางทีก็มากันเป็ น, ปนตอนๆคือทยอยกันมาโดยความรู้สึกเกรียวกราดรุนแรงมีความโกรธต้องการประทุษร้ายทำลายต่อองค์รรค พ, รพระผู้มีพระภาคจากแต่พอในประสบพบเห็นของพระองค์เท่านั้นโทสัคคิไฟคือโทสักที่เกิดเผาลนใจอยู่เป็นเวลานานก็เริ่ม ซาลงอ่อนลงเป่าลงแล้วก็ดับเย็นไปในที่สุดดังนั้นการเห็นในลักษณะนี้จึงชื่อว่าเป็นมงคลดังนั้นในอนุตรยสุดคือสูตรที่ว่าด้วยสิ่งยอดเยี่ยมพระพุมีพระเจ้าจึงทรงแสดงการเห็นบางอย่างว่าไม่ใช่ยอดเยี่ยมและแสดงการเห็นบางอย่างว่ายอดเยี่ยมคือเป็นอนุตตระ หาสิ่งหาความเห็นอย่างอื่นทัดเทียมไม่ได้เช่นการเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระอริยสงฆ์เป็นปัจจัยเป็นภาคพื้นเบื้องต้นที่จะดึงจิตของบุคคลเข้าไปยึดถือหลักปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์โดยการน้อมนำเอาพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติ พัฒนาจิตใจของตนอาการกายวะจาของตนให้สงบประนีตขึ้นไปโดยดำดับแต่นั้นสิ่งที่บุคคลได้เห็นบางอย่างก็เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความวิสุทธ์หรือบริสุทธิ์ในชั้นหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกง็คือในชั้นของศีลวิสุทธ์ความหมดจดแห่งศีล ได้จิตจะวิสุดความหมดจุดแห่งจิตแม้ในชั้นของการฟังที่ถือกันว่าเป็นมงคลในสมัยนั้นการฟังบางอย่างไม่เป็นมงคลจริงแต่การฟังบางอย่างก็เป็นมงคลเช่นบุคคลที่ได้สะดับจากฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าบางครั้งเป็นการจุด ประชีพแผงปัญญาขึ้นภายในจิตใจของผู้ฟังเท่านั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกพนวดเป็นพระราชกุมารเสด็จสวนทางกับพระญาติผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสุปปวาสาพระญาติได้มองพระโพธิสัตว์ด้วยความชื่นชมประทับใจเปร่งวาจาออกมาเป็นภาษาบาลี น, นิปุตานูนส า, ามาตานิปุโตนูนิโสปิตานิปุตานูนส า, า, า, า, า, านาเรยัตซาอย่างอีนิโซปติซึ่งแปลเป็นใจความว่าแม่คนใดก็ตามที่มีลูกชายเช่นนี้แม่คนนั้นชื่อว่าดับเย็นสนิทแล้วพ่อคนใดก็ตาม ที่มีลูกชายซึ่งมีคุณลักษณะเช่นนี้พ่อคนนั้นชื่อว่าดับเย็นสนิท้วสตรีใดก็ตามที่เป็นพันยาของคนเช่นนี้หรือได้คนเช่นนี้เป็นสามีสตรีคนนั้นก็ชื่อว่าดับสนิทแล้วดับเย็นสนิทนวพระโพธิสัตว์นั้น ทรงพอพระไทยในคำว่านิปุตานิปุโตซึ่งแปลว่าดับเย็นสนิทเป็นสภาวะธรรมซึ่งตรงกันข้ามกับชีวิตที่ทรงประสบอยู่ในขณะนั้นเพราะท่กากลางสิ่งที่แวดล้อมพรองอยู่ไม่มีอะไรที่เกื้อกูลต่อความสงบ มีการกระตุ้นเร่งเราให้เกิดปราคะความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีไฟกุราคะก็เกิดขึ้นฟุตลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากอยู่ท่ามกลางการบำรุงบรเมรอของสนมกำนันในเป็นนั้นมากปราตนาจะปลีกพระองค์ไปหาความสงบ พระพุทธบิดพระราชบิดาก็ส่งคนตามเสด็จเป็นขบว น, นเหล็กเล้นไปหาความสงบก็มีคนตั้งกองอารักขารอบข้างเป็นชีวิตที่เหมือนนกในกรงขังดังนั้นการที่บุคคลสามารถดับให้เย็นสนิท ด, ดับราคะท่พบ์เผาลนใจได้เย็นสนิท ดับโทสะที่เผาลนใจได้ให้ดับสนิทลงไปดับโมหะที่เผาลนใจได้อย่างสนิทชีวิตก็จะลอยพ้นจากพันธนาการเหล่านั้นด้วยถ้อยคาเพียงคำเดียวคำว่านิพุตตาซึ่งต่อมาก็คือนิพพานเพราะคำว่านิพพานนั้นที่จริงก็เป็นคำสามัญเดิมทีเดียว ชนชาวอารยันพูดถึงอะไรก็ตางเช่นก่อไฟได้ไว้ไฟดับเขาบอกก็ไฟนิพพานแล้วตักข้าวลงมาจะรับประทานพอข้าวเย็นพอจะรับประทานได้ก็บอกข้าวนิพพานแล้วแกงเย็นไปก็ว่าแกงนิพพานแล้วไม่สบายเกิดหายขึ้นมาก็ไข้นิพพานแล้วลนี้เป็นคําที่หมายถึงสภาวะอย่างหนึ่ง ที่ดับลงสภาพาว่าเหล่านั้นเคยสแสดงอาการในการแผลเผาเราร้อนรุนแรงอันดับลงไปก็กลายเป็นรักษณะอย่างนั้นพานิปตานิปุโตรหรือนิปุติอะไรก็ตามจตันชัยเรียกสภาพของจิตที่ดับสนิทจึงเพลิงกิเลสเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้ว่าเป็นนิพพาน ดังนั้นการได้ยินได้ฟังถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตถ้อยคำที่ชวนให้คิดสืบต่อไปจากถ้อยคำเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันก่อให้เกิดความกระตุน้นกอให้เกิดจันทรอุตสาหะขึ้นไปในจิตใจกระตุ้นจิตสานึกของบุคคลที่ถูกคล้อมล้อมด้วยความทุกข์ถูกครอคุ้มด้วยกิเลส ถูกรึงรัดไ้ด้วยเครื่องพันธนาการใจทั้งหลายให้เพียนพยายามแสวงหาความดับเย็นหรือความดับสนิทหรือความดับอย่างไม่มีเชื่ออันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสานาและแม้แต่บางครั้งวิญญูชนที่เป็นบัณฑิตได้ยินถ้อยคำ าวครา ว, ราวที่เล่าลือถึงตนด้วยความเข้าใจผิดก็ถือเป็นนิมิตเครื่องหมายอันดีพิจารณาต่อไปจากคยคำหลดนั้นก็ะทำตนให้เกิดความสวัสดีได้อย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งไปที่วัดมีคนถามปัญญาเขาว่าสามีไปไหน แกก็บอกว่าไปวัดแม่ของแกนั้นหูหนักหูหนวกฟังเป็นว่าลูกเขยไปบวชตะโกนถามลูกสาวบอกทำไมผัวแกถึงต้องบวชเรื่องอะไรจึงต้องไปบวชคนที่ได้ยินท้างบ้านนึว่าผู้ชายคนนั้นไปบวชใชแล้วก็ไปดูที่วัดเห็นว่ายังไม่ได้บวชก็บอกตงข่าวหรือให้ฟัง แกหยิบไยคาเหล่านั้นขึ้นมานพิจพินิจพิจารณาว่าแม้เรายายจะยังไม่ได้บวชแต่คนทั้งหลายเล่าลือว่าเราได้บวชยายของเราเองยังคิดว่าเราบวชเพราะงั้นเราบวช ด, ดีกว่าแล้วท่านก็บวชเลยมันเป็นเพียนจนบรรลุมรรคผลไปได้ดังนั้นในแง่ของพระพุทธศาสนาชั้นของการปฏิบัติจึงมีสองชั้น การจะกําหนดเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลนั้นในชั้นหนึ่งต้องแยกแยะให้ชัดว่าเราจะก่อให้เกิดมงคลหรือไม่เกิดมงคลเป็นชั้นของจิตใจที่ยังไม่มีความมั่นคงแข็งแรงมากพอแต่พอถึงชั้นหนึ่งแล้วสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไม่สาคัญอาจจะเป็นเสียงเพลงอย่างที่นางสุประวาสาร้องเพลงหรืออจจะเป็นเสียงเล่าเรือ จากตัวอย่างที่ว่ามาแล้วหรืออาจจะได้ยินเสียงผินอย่างที่พระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงผินมีคนมาขับกรองบดีดปินจับประบาจงทำสายให้พอดีตึงนักสายมาขาดเพลงพินาศหมดเสียงใส ย, ยอนนักสายหมดไปจงทำสายพอดีด้วยเพลงเพียงสองวันท่านท่านปรับการปฏิบัติจากตึงสุดมาอยู่ทรงกลางได้ แล้วบรรลุสมาสัมโพธิญาณไปในที่สุดดังนั้นสิ่งเหล่านี้แม้จะไม่ก่อให้เกิดผลสูงสุดเพียงลำพังแต่ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อกูลกันเพื่อนำบุคคลเข้าสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากสังสารวัฏมันเป็นเป้าหมายที่ท่านนันตะมานบ กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าและบนเส้นทางสายเดียวกันนี่เองเมื่อใครประพฤติปฏิบัติในสัดส่วนที่สม่ำเสมอกันผลก็ย่อมจะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป